พระไตรปิดกเล่มที่สิบสี ช, ะชะกกัสูตรว่าด้วยธรรมะหกประการหกหมวดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิน ธ, ธิกาเสถีเกศกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสแสดงธรรมะมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์รบทวนคือธรรมะอกประการ 6. กหมวดตรัสว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายในหกพึงทราบอายตนะภายนอกหกพึงทราบหมวดวิญญาณหกพึงทราบหมวดพัษะหกพึงทราบหมวดเวทนาหกพึงทราบหมวดตัณหาหก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 หมวดที่หนึ่งเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายนอกหกคือรูปายตนะอายตนะคือรูปสรัทธายตนะอายตนะคือเสียงคันธายตนะอายตนะคือกลิ่นรสายตนะอายตนะคือรสโพธายตนะอายตนะคือการสัมผัสทางกาย และธรรมายตนะอายตนะคือธรมมารมนี่เป็นหมวดธรรมะหกหมวดที่สองเธอทั้งหลายเพึ่งทราบหมวดวิญญาณหกคือเพราะอาศัยจักขู่แล้วรูปจักขูก่ญญวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยโสตและเสียงโสตวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานาวิญญาณจึงเกิด เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและผุทธภาพกา ย, ยวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรรมารมมโนวิญญาณจึงเกิดนี้เป็นหมวดธรรมะหกหมวดที่สามเธอทั้งหลายพึงทราบหมวดผัสสะอบคือเพราะอาศัยจักขุแล้วรูป จักขูวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะเพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะเพราะอาศัยชิวหาลรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะเพราะอาศัยกายและโภทภะกายวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะนี้เป็นหมวดธรรมะหกหมวดที่สี่เธอทั้งหลายพึงทราบหมวดเวทนาหกคือ เพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุ่วิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะและผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดและโดยในยะเดียวกันเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยชิวหาแล้วรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด เพราะอาศัยกายและโภทภกายวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจใจเวทนาจึงเกิดนี้เป็นหมวดธรรมะอกหมวดที่ห้าเธอทั้งหลายพึงทราบหมวดตัณหาหก คือเพราะอาศัยจากขู่และรูปจากขู่วิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดและโดยในยะเดียวกันเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและกลิน่นคานะวิญญาณจึงเกิด เพราะอาศัยชิวหาแล้วรถชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและโผดถัพย์กา ย, ยวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนแล้ธรรมอารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดนี้เป็นหมวดธรรมะหหมวดที่ห ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจักขู่เป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องจักขู่ยอมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่า จักขูเป็นอั ต, ตนั้นจึงไม่ถูกต้องจักขูเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องรูปยอมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่า อัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคําของผู้ที่กล่าวว่ารูปเป็นอัตตาจึงไม่ถูกต้องจกักขูเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าจากักขูวิญญาณเป็นอัตตาคําของผู้นั้นไม่ถูกต้อง จกักขูวิญญาณย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็อสิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจากักขูวิญญาณเป็นอตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจกักขูเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตา จักขูวิญญาณเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าจักขูสัมผัสเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องจักขูสัมผัสย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่า อัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักขู่สัมผัสเป็นอัตตาจึงไม่ถูกต้องจักขูเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขูวิญญาณเป็นอนัตตาจักขูสัมผัสเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ ผู้ใดพึงกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องเวทนาย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป <c oughs> ก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไป <c oughs> เพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้อง จักขู่เป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขู่วิญญาณเป็นอนัตตาจักขูสัมผัสเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าตันหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องตันหายอมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป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 เวทนาเป็นอนาตาัตตาตัณหาเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้และโดยในย่าเดียวกันเหมือนกับเรื่องจักขุ่แล้วรูปผู้ใดกล่าวว่าจาักขุแล้วรูปจักขุวิญญาณโสตะและเสียงโสตะวิญญาณขานะและกลิ่นขานะวิญญาณชิวหาและรสชิวหาวิญญาณกายและผลทภพภะ กายวิญญาณมโนลธรรมมารมมโมวิญญาณจกขุสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเวทนาและตัณหาผู้ใดกล่าวว่าแต่ละประการนั้นเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านั้นย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป สิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นแต่ละประการเป็นอัตตาจึงไม่ถูกต้องจักขุและรูปจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสโสตะและเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัสคานะและกลิ่นคานาวิญญาณคานาสัมผัส ชิวหาแล้วรถชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสกายละพทธทพะกายวิญญาณกายสัมผัสมโนและธรมมารมณ์มโนวิญญาณและมโนสัมผัสเวทนาและตัณหาทุกประการนั้นเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนาตาัตตาตัณหาเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทานี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงส ก, กายะสมุทไทยคือความเกิดขึ้นแห่งส ก, กายะคือบุคคลพิจารณาเห็นจักขูว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขู่วิญญาณพิจารณาเห็นจักขู่สัมผัส พิจารณาเห็นเวทนาและตัณหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราและโดยนัยยะเดียวกันพิจารณาเห็นโสตะคานาะชิวหากายและมโนคือพิจารณาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพะและธรรมารมณ์ ว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นจากขูสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นตัณหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราภิกษุทั้งหลายส่วนปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงสักกายะนิโรธ คือความดับสักกายะคือบุคคลพิจารณาเห็นจักขู่พิจารณาเห็นรูปจั ก, จกขู่วิญญาณจักขู่สัมผัสเวทนาและตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราและโดยในยะเดียวกันพิจารณาเห็นคานะคานะวิญญาณคานะสัมผัสเวทนาและตัณหาว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นชิวหาคือลิ้นชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสเวทนาและตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นกายกายวิญญาณกายสัมผัสเวทนาและตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนคือใจพิจารณาเห็นธรมมารม์มโนวิญญาณมโนสัมผัสเวทนาและตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะ เพราะผลสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออัทุกขมะมสุขที่สัตว์เสวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดบุคคล น, นั้นมีราคานุสัสคือกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือราคะบุคคล น, นั้นมีราคานุสใสนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความลุ่มหลงเขามีปฏิคานุสัยคือกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือปฏิฆะอันอทุุขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่รู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและธรรมะเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริง เขามีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่คือกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานคืออวิชชาภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่บุคคล น, นั้นยังละราคาุสัยเพราะสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิคาุสัยเพราะทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัยเพราะอาทุกคมสุขเวทนาไม่ได้ยังละอวิชชาแล้ว ทำวิชาให้เกิดไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นผู้กระทำที่สุดทุกได้ในปัจจุบันและโดยในยะเดียวกันกันกบเรื่องตาคือจากขู่และรูปภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดเพระ า, ะ, ะ, ะ, ญญาพระอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด เพราะอาศัยกายและปุถะภะกายวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรรมอารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตวจสวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินชมเชยยึดติดบุคคลนั้นมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่าไรทุบปอกคร่าครวญถึงความลุ่มหลงเขามีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่รู้จักถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและธรรมะเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงเขามีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่บุคคล น, นั้นยังละราคานุัสเพราะสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิคานุัยเพราะทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุัสเพราะอาทุกขมสุขเวทนาไม่ได้ยังละอวิชาแล้วทำวิชาให้เกิดไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่บุคคล น, นั้นจะเป็นผู้กระทาที่สุดทุกได้ในปัจจุบัน ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยจักขูแล้วรูปจักขูวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกข์มสุขที่สัตว์สวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดบุคคล น, นั้นไม่มีราคานุยหนอนเนื่องอยู่ อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุกขอ ก, อก่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลงบุคคลนั้นไม่มีปฏิกานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทตุขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมรู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและธรรมะเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงบุคคลนั้น ไม่มีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นรักราคานุสัยเพราะสุขเวทนาได้บันเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาได้ถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาได้ลักอวิชชาแล้วทำวิชชาให้เกิดขึ้นได้แล้วจะเป็นผู้กระทาที่สุดทุกได้ในปัจจุบันและโดยในยะเดียวกัน ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยชิวหาแล้วรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและโผหดพะกายวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรรมมารมมโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์สวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดบุคคล น, นั้นไม่มีราคานุสัสนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบ อ, อกกร่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลง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 ละราคานุสัย์เพราะสุขเวทนาได้บันเทาปฏิคานุัยเพราะทุกขเวทนาได้ถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขะมะสุขเวทนาได้ละอวิชชาแล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดทุกขได้ในปัจจุบันวิชาในที่นี้หมายถึงวิชาคืออรหัตตมรรค ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขูวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขูสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาและโดยนัยยะเดียวกันย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตเสียง โสตวิญญาณโสตสัมผัสเวทนาและตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะคือจมูกกลิ่นคานวิญญาณคานสัมผัสเวทนาและตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาในรสในชิวหาวิญญาณในชิวหาสัมผัสในเวทนาและตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายในโพธพะในกายวิญญาณ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 รู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบปรมจันแล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรนภาษิทินี้อยู่จิตของภิกษุประมาณหสิบรูป ได้หลุดพ้นลาวจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นดังนี้แลจบฉะฉะักกะสูตร